ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะพุทธังธรรมังสังฆังนามัสสามิพวกเรา ผู้ฝ่ายธรรมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรือรู้จักหลวงปู่ดูพรหมปันโยท่านเป็นพระที่ผู้คนนับถือนะเรว่าทั้งประเทศก็ได้ไม่เฉพาะจังหวัดอุทัยยาซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านแล้วก็เป็นภูมิลำเนาที่เป็นที่ตั้งของวัด ที่ท่านพักวัดสักแกคราวหนึ่งมีคนถามหลวงปู่ดูว่าหลวงปู่ขอคําแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดโลภะโทสะโมหะอันนี้จตมาเชื่องเป็นคําถามของอในใจของหลายคนนะ วิธีปฏิบัติสั้นๆนะ จ, ะจะช่วยดับโลภะโทสะโมหะได้โปุท่านก็ตอบนะเสียงดังคงชัดว่าสติพูดคำเดียวนะเพราะว่าเขาต้องการวิธีปฏิบัติสั้นๆเนีนะท่านก็ตอบสั้นๆจริงๆทำเดียวคือสตินะครับ แต่ตอบแล้วเนี่ยคนฟังเนี่ยเข้าใจหรือเปล่านี่ไม่ทราบนะเพราะว่าในความเข้าใจของผู้คนจำนวนมากเนี่ยสติดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆนะเป็นเรื่องพื้นๆเพราะว่าใครๆก็มีสติกันทั้งนั้น คือถ้าไม่เมาไม่สลบนะไม่หลับไม่ละเมอก็มีสตนะิหลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิบททัติธรรมก็จะนึกไปถึงการมีชานบ้างลงนะหรือมีญาณบ้างลงนะเพราะคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้ และเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยมันก็ต้องควรจะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนไกลตัวนะฌานนะอันนี้หลายคนก็สวดเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการปฏิบัติต้องอาศัยความชำ น, นิชำนาญต้องเข้าออกอย่างคล่องข่าวเ ร, รียกว่าศีหรือว่ายานเนี่ยนะ มีสิบกยามต้องให้ได้ทั้งสิบกยามเนี่ยนะมถึงจะเข้าถึงความพ้นทุกข์คนฟังเนี่ยคนที่ถามครูดูเนี่ยก็คงจะนึกคำตอบไปในคำนองนี้แหละเป็นคำตอบที่ดูเหมือนจะอยู่ไกลตัวแล้วก็ทำได้ยากแล้วก็อาจจะฟังไม่เข้าใจ ถึนจะขลังเนี่ยเจตบอกว่าเนี่ยนะต้องมีต้องเข้าใจหลวงปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็ฟังแล้วเนี่ยก็ดูทำให้ดูขลังแต่คนถามมันคงไม่คิดว่าหลวงปู่จะตอบคำที่ดูเหมือนว่ามันพื้นๆดัดดคือสติ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะสติเป็นเรื่องสําคัญมากเลยการเจริญสติที่เรียกว่าสติปัฐานเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเป็นทางเอกเป็นทางตรงสู่ความพ้นทุกข์ท่านใช้คำว่าเอกไยนามโคเอกไยนามโคเนี่ยทางเอกทางตรงนะหรือจะเรียกว่าทางรัดก็ได้ท่าที่หลวงปู่ ตอบความสติเนี่ยนะก็เรียกว่าตอบตามพระพุทธเจ้าหรือว่าสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าได้สอนนะว่าเป็นทางลัดเพื่อความพ้นทุกข์เพราะว่าช่วยดับโลภโทสะโมหะก็คือเป็นทางตรงสู่พระนิพพานนั่นเอง พูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอีกเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะบระรลุนิพพานในชาตินี้อยู่แล้วนะฉันก็แค่อยากจะเป็นคนดีมีความสุขตามภาษาชาวโลกแม้จะมีความหวังเพียงเท่านี้นะหรือว่ามีความมักน้อยแต่สติก็สำคัญ เป็นเดียวกันไม่ว่าปรารถนาความสุขความเจริญทางโลกหรือปรารถนานะความสุขที่เราเป็นบรมสุขในทางธรรมเนี่ยก็หนีสติไม่พ้นสติมีความสำคัญมากครูเจ้าทูตบอกว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถาน ธรรมะหลายตัวเนี่ยอาจจะจําเป็นหรือว่าใช้ในบางกรณีธรรมะหลายตัวนะที่จะใช้ได้ในบางกรณียกตัวอย่างเช่นความเพียรเนี่ยถ้าใจฟุ้งซ่านเนี่ยพระอาจาไม่แนะนํานะว่าให้มีความเพียร เพราะยิ่งเพียรยิ่งฟุ้งซ่านนะต้องใช้สมาธนะิหรือว่าช่วงที่มีความฟุ้งซ่านเนี่ยนะปิติก็จะไม่ค่อยเหมาะนะต้องใช้สิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าปัจจุบันสะิสติก็ดี สมาธิก็ดีวิริยะก็ดีปิติก็ดีปัสสัตถิ์ที่เทตามาพูดในสี่ตัวเนี่ยอยู่ในองค์ธรรมที่ว่าโคชงเจตในญาณที่เฉยนะใช้สมาธิไม่ดีนะฮะอันนี้พูทเจ้าก็แนะนําว่าในญาณที่เฉยนี่นะต้องใช้วิริยะ ปิกติก็ช่วยได้กูนะจะเปรี่ยนเหมือนกับว่าหญ้าที่มันชืนะ้นนะัะนะพรมน้ำลงไปเนี่ยนะมันก็ยิ่งติดไฟหญ้าเข้าไปย่างนะในพวชเจ็ดเนี่ยมันจะมีทาอยู่สองหมวดนะหมวดหนึ่งเนี่ย มีทำอยู่สองส่วนสองประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นประเภทที่กระตุ้นให้จิตตื่นตัวนะเช่นวิริยะปิติแล้วก็ธรรมวิจยะธรรมวิจยะพูดง่ายคือปัญญาธรรมวิจยะแปลว่าการใช้ปัญญาสอด ส, ส่องให้ครวนโยชงเนี่ยแปลว่าองค์ทำเหมนการตัดสรู้เนี่ย ครึ่งแรกเนี่ยสามตัวแรกเนี่ยนะสามในเจ็ดเนี่ยจะเป็นธรรมะที่คอยกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวนะเช่นความเพียรวิริยานะปิติเนี่ยมันทำให้ใจฟูธรรมวิจยะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการพิจารณาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยช่วยทำให้ใจสงบเช่นสมาธิปัสสัตและอุเบกขา ผูเจ้าบอกว่าสองตัวนี้เนี่ยสองส่วนเนี่ยต้องใชใ้ถูกกรณีอย่างที่ธรรมมาพูดไปถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยนะอย่าไปใช้วิริยะอย่าเพิ่งทาบาเพ็ญธรรมวิทยะในะตอเดียวกันถ้าเกิดเชื่อเนื่อยอย่าเพิ่งใช้เรื่องสมาธิอูเบกขามันจะไปกันใหญ่นะแต่ตัวที่เจ็ดเนี่ยคือสติเนี่ย ใช้ได้ทุกกรณีในยามที่ในยามที่เกิดความฟุ้งซ่านนะสติช่วยทำให้ใจสงบในยามที่เฉยเนื่อยสติทำให้เกิดความกระตือรือร้นภาษาสมัยใ ห, หม่ด้วยแอคทีฟนะสติเนี่ยเป็นทั้งคันเร่งแล้วก็ตัวเบรกนะในยามที่โกรธโมโ ห, โห ต้องมีสติคอยเบรคพยายามที่ฟุ้งซ่านวา่าวุ่นมีสติคอยเบรกให้ใจมันสงบพยายามที่เฉยเนืองง่วงนอนสติกระตุ้นทําให้เกิดความกระตือรือร้นกระชุ่มกระชวยสติเนี่ยจึงเป็นธรรมะที่ใช้ได้ในทุกกรณีท่านใช้ว่าจําปรารถนาในที่ทั้งปวงแล้วก็ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็น แล้วก็ควรจะใช้ในทุกกรณีทุกเวลาต้องมีสติสติแปลว่าอะไรสติพูดง่ายคือความระลึกได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ย เ, เราพูดถึงความระลึกได้เนี่ยเรามักจะะลึกระลึกได้เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นวัตถุสิ่งของหรือเรื่องนอกตัวเช่น อย่างโยมตอนนี้จำได้นะว่าบ้านโยมอยู่ไหนนะรองเท้าวางไว้ตรงไหนนะรถจอดไว้ที่ไหนพอบรรยายเสร็จก็รู้ว่านะจะไปขึ้นรถตรงไหนนะจะสวมรองเท้าตรงไหนก็ใช้สตินะขับรถ ก็จำได้ว่าบ้านอยู่ไหนถนนอะไรซอยอะไรเป็นเรื่องความะระลึกได้อาจจะจำได้ว่ากุญแจรถเนี่ยหรือกระเป๋าเงินเนี่ยอยู่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะจำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้จำวันเกิดเพื่อนได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยเรื่องของสติหมด ถ้าไม่ถ้าไม่ลืมถ้าไม่ถ้าไม่เมานะไม่หลงนะแล้วก็ไม่โกรธนะไม่เศร้าไม่โมโ oh, หคือไม่มีอารมณ์มารบกวนเนี่ยเราจะจําได้แต่ว่ามีสติสถานท่านน่าที่งสติอีกอย่างหนึ่งนะัคือการะระลึกได้ในเรื่องในเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคืออะไรคือกายกับใจ ซึ่งคนที่จำอะไรเก่งๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะมีความระลึกได้ในเรื่องกายใจได้ดีนะเช่นเวลาทำอะไรเนี่ยอย่างเช่นโยมสวด ม, ด ม, ดมดนตะ์เนี่ยเมื่อกี้สวดมนต์นะสวดมนต์เนี่ยปากว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหน ตอนนั้นก็เรียไม่อยู่สตินะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ากายมันกําลังทําอะไรบางคนไม่รู้จะซ้ําว่ากายกําลังนั่งอยู่เวลาเดินเนี่ยเดินถ้าเกิดใจลอยนะ mm hmm. ก็ไม่รู้จะซ้ําว่ากําลังเดินอยู่แต่มันเป็นช่วงขณแบบแบบนะดเลๆอาจจะเดินผ่านห้องหรือเดินเลยซอยที่ต้องการจะ จะไปก็ได้ขับรถเป็นบ่อยนะโยะเวลาใจลอยเนี่ยนะบางทีก็ขับผิดขับถูกมียมคนหนึ่งนะรับอาสาไปส่งพระนิมนต์พระมาบรรยายเสร็จก็รับอาสาไปส่งพร ะ, ะโยเป็นผู้หญิงนะก็ให้พระนั่งหลังมีพระสองรูปโยมก็ขับขับไปพอขับไปสักระยะหนึ่ง เราก็ถามว่าโยมจะไปไหนโยมก็ตอบว่าก็ไปส่งอาจารย์ไยที่วัดอแล้วทําไมเลี้ยวอ่ะจะตกใจอ้อเลี้ยวเข้าบ้านเลี้ยวไปบ้านก็ขับทางนั้นประจําอ่ะเห็นไหมเลี้ยวนั่นคือไปบ้านไงเห็นไ่มนี่เราไม่มีสตินะใช่ไหมจะไปส่งพระแต่ว่าเลี้ยวเข้าบ้านอ่ะ มันทําที่เป็นทำทำจนชินเนี่ยและตอนนั้นเนี่ยใจลอยใจลอยพอใจลอยเนี่ยการมันก็ทําโดยโอัตโนมัตินะนะอันนี้เราเป็นประจํำนะเราขับรถในใจราลอยเนี่ยแต่ว่าเราเราเหยียบเบรกเร า, าเหยียบคันเร่งหรือว่าเราเปลี่ยนเกียร์รอโดยอัตโนมัติขณะที่กําลังโทรศัพท์นะแต่คนทำเนี่ยนะ เขาไม่รู้ว่ากายทําอะไรส่วนกายเนี่ยมันก็ทําไปตามอัตโนมัติอันนี้คือความหมายว่าไม่รู้กายนะหลายคนเป็นบ่อยเวลาเดินจงกรมเวลาสะเวลาตามลมหายใจเนี่ยนะเดินก็เดินไปแต่ไม่รู้ว่าเดินนะก็ใจลอยนี่เรียกว่าไม่มีสติบางทีเราก็เรียกว่าหลงอันนี้การไม่มีสติเนี่ย นะมันหมายความว่ายังไงนะมันเกิดผลอย่างไรถ้าเราขับรถไม่มีสติก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุถ้าเราเดินลงบันไดเราเดินไม่มีสติเราก็จะอาจจะตกบันไดเราเดินเข้าห้องน้ําถ้าเราไม่มีสติห้องน้ำํำพื้นห้องน้ําลื่นเราก็า จ, จะล้ม คือถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันเจ็บป่วยหรือพิการหรือตายได้ทุกเวลา เ, เพียงแค่เสียบนะเสียบปลั๊กขณะที่มือเปีเยกๆนี่นะก็อาจจะตายได้นะ้นนสติเนี่ยเพียงแค่ว่าจะมีชีวิตให้ปกติและมีชีวิตยืนยาวเนี่ยต้องอาศัยสติแล้วเพราะไม่งั้นตายได้ทุกเวลา แต่สติเนี่ย ม, มันมีความสำคัญยิ่งกว่านั้นนะหลายคนแม้จะไม่ตายแต่ก็มีความทุกข์ฉะนั้นที่มีเงินมีทองมีความสำเร็จมีครอบครัวที่น่ารักนะแต่ก็มีความทุกข์เขเครื่องงานนะหรือว่าหมดหงิด เกี่ยวกับเรื่องเหตุการบ้านเมืองหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วม ง, งานวันวันหนึ่งเนี่ยลองถามตัวเเองเนี่ยก็เ ร, เรามีความทุกข์ใจเนี่ยอารมณ์เข้ามาเล่นงานจิตใจเราเนี่ยวันหนึ่งกี่ครั้งไม่นับนึ่งใจลอยนะฮะคนเราเนี่ยเขามีเดี๋ยนีนักวิยาศาสตร์เนี่ยเา เขาสามารถที่จะวัดได้ว่าคนเนี่ยปกติใจลอยเท่าไหร่เขาวัดได้จากอะไรเพราะว่าจากการที่สแกนสมองแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าคนเราเวลาใจลอยกับเวลาที่มีสมาธิทางานเนี่ยมันมีการการทํางานสมองเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วเขาพบว่าคนเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยสมมุติฝรั่งเนี่ยนะก็ทํางานเจ็ดชั่วโมงครึ่งวันหนึ่งเขาไม่ทํางานแปดชั่วโมงก็ทำงานเจ็ดชั่วโมงครึง่งเขพบว่าคนส่วนใหญ่เ น, นี่ยนะ จะมีสมาธิทํางานเนี่ยแค่ยี่สิเปอร์เซ็นคือประมาณชั่วโมงครึง่งที่เหลือหกชั่วโมงเนี่ยใจลอยแต่ว่าไม่ใช่ใจลอยปุ๊บที่เหลือหชั่วโมงนะมันใจลอยปุ๊บทีละนาทีนึงอาจจะใจลอยสักครึงนะคร่งนาทีครึ่งนาทีใช่ใจลอยทีนี้หมายถึงอาจจะคิดโน่นคิดนี่ฝันกลางวันสารพัดเนี่ยแต่พูดง่ายคือ ใจยังไม่ได้ทํางานใจทํางานจริงๆเนี่ยทํางานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยแค่ยี่สิบเปอร์ซนต์ะไอ้พวกเจ้านายคนที่เป็นเจ้านายให้รับรู้นะลูกน้องของเราเนี่ยทํางานแค่ยี่เปอร์เซนันหะ น, นึ่งไอ้ <c oughs> ตัวเนี่ยทํางานแต่ใจมันรู้ไปไหนและตอนที่ใจไปไหนเนี่ยก็ไม่ได้ก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองกําลังทำอะไรนี่เราไม่รู้ตัวนะเพราะไม่มีสติไม่รู้กาย และส่วนใหญ่ไม่รู้กายเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับที่ไม่รู้ใจไม่รู้ใจคือไม่รู้ว่าใจไปไหนตอนที่เผลอคิดตอนที่เผลอใจลอยเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่ากําลังใจลอยเวลามีความโกวธความหมุนหงิดเนี่ยไอ้ที่หมุนหงิดเนี่ยนะส่วนเรียกว่าร้อยท้งร้อยเนี่ยไม่รู้ตั ว, เ พ, ต ว, เ, วตเพราะไม่รู้ตัวถึงหมุนหงิดพ่อไม่รู้ตัวถึงเศร้าพ่อไม่รู้ตัวเนี่ยจึง จึงจึงมีความโกรธพูดง่ายคือเพราะไม่รู้ตัวจึงมีความทุกข์และความไม่รู้ตัวกับสติมันเป็นเรื่องที่สําคัญไปด้วยกันนะความไม่รู้ตัวเนี่ยนะเราเรียกอย่านว่าความหลงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ คำสงนพรองเนี่ยชี้ไปที่ความทุกข์และความทุกคนเราเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากความหลงอันนี้พูดแบบสรุปเลยนะความทุกข์คนเราเนี่ยหมายถึงทุกข์ใจนะไอ้ทุกข์กายเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งคนสมัยนี้เนี่ยทุกข์กายไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแต่ทุกข์ใจมากและทุกข์ใจเพราะความหลงหลงนี่มีสองอย่างนะ หลงลืมกับหลงผิดหลงลืมเนี่ยก็คือไม่มีสตินะฮะพอไม่มีสติความโกรธความเกลียดความเศร้าความทุกข์ก็เข้ามาครอบงำใจได้ง่ายนะหลงผิดเนี่ยก็คือมีโมหะไปเห็นกกงจับเป็นดอกบัวเห็นความ ความชั่วเป็นความดีเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเที่ยงว่าเป็นสุขเห็นหรือคิดว่าเงินจะให้ความสุขที่แท้กับเราชื่อเสียงกิตยศจะให้ความสุขกับเราอันนี้ก็เรียกว่าหลงผิดนะเรียกว่าเกิดโมหะหรืออวิชชาตอนะนนี้เนี่ยสติเนี่ยนะมันช่วยแก้ ความหลงลืมและช่วยถอนความหลงผิดนะแต่ก่อนจะพูดเรื่องความหลงผิดหรือว่าการขุดรากเง่าของอวิชชาเนี่ยนะเอามาพูดเรื่องใกล้ตัวก่อนหมายถึงมาพูดเรื่องที่มันเห็นได้ชัดง่ายๆก่อนเข้าใจง่ายนะที่จริงอวิชชาโมหะมันก็ใกล้ตัวนะพอมันอยู่ในใจเราแต่ว่าหลายคนอาจจะต้องเสือเข้าใจยาก ไอ้ร่างกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหมืนแปลว่าอะไรนะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะอันนี้เก็บไว้ก่อนแต่พวกความหลงลืมเนี่ยนะทุกครั้งที่เราทุกข์เพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะเศร้าเพราะท้อแท้เพราะผิดหวังเพราะรู้สึกผิดพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้น ทุกครั้งที่เราหลงหรือเราลืมนะไม่ใช่ลืมของแต่ลืมตัวนะหลงกับลืมเนี่ยนะมันมันไม่ใช่เดียวกันแต่มันสัมพันธ์กันนะเราลืมเมื่อเราขาดสติเราหลงเมื่อเราขาดสัพชัญญาสติคือไม่ไม่ลืมสัพชัญญาคือไม่หลง แต่บางทีเราก็เรียกลมๆวงกันนะว่าสติเราก็เรียกคุมคุมสติคือความไม่หลงลืมแต่ตอามาอยากจะเน้นว่าคนเราเนี่ยทุกครั้งที่เราทุกใจเนี่ยนะนั่นเป็นเพราะเราขาดสติเพราะเราลืมตัวเพราะเราหลงคือไม่รู้ตัวขอผู้ลมลวงกันไปนะผูะ้เจ้าตรัส ว, ว่าสติเนี่ยเป็นเหมือนยามที่เฝ้าประตูเมือง เมืองนี้ชื่อว่าจิตตนคร น, นะจิตตนักคอนผู้เจ้าเปรียบจิตเหมือนกับนคร น, นครแห่งนี้เนี่ยจะมียามที่เฝ้าออประตูเมืองยามนั้นเรียกว่าสติพูดง่ายคือจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาสติเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาจิตเราให้เป็นปกติไม่ทุกข์เมื่อใดก็ตามที่เรามีความทุกข์ ทุกใจนะฮะนั่นแปลว่าจิตเราเนี่ยถูกจู่โจมด้วยความโกรธ ด, ด้วยความเกลียด อ, อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับศัตรูที่บุกเข้ามาทำร้ายจิตตะนะครแล้วที่มันเข้ามาทำร้ายได้เพราะว่านะครแห่งนี้เนี่ยทหารหรือยามเฝ้าประตูเนี่ย มันทางาน บ, บกพร่องไม่เข้มแข็งไม่ฉลาดฉับไว้พูดง่าคือไม่มีสติคนมักจะโทษว่าทุกเนี่ยเวลาทุกใจ เ, เรามักจะโทษคนเรามักจะโทษคนนั้นคนนี้โทษสิ่งภายนอกโทษเสียงดังแดดร้อนรถติดเจ้านายไม่เป็นธรรม หรือว่าเพื่อนไม่น่ารักคนใกล้ชิดไม่รู้ใจเราไม่จะโทษสิ่งภายนอกว่า เ, าเป็นที่มาของความทุกข์ใจแต่ที่จริงแล้วเป็นเพราะใจของเราต้องหาซึ่งผู้รวมรวมคือใจที่ไม่มีสติใจที่หลงหรือไม่รู้ตัวเวลาเสียงดังนะ เสียงมันไม่ทำให้เราทุกข์นะฮะแต่เราทุกข์เมื่อใจเนี่ยไม่ชอบเสียงนั้นใจเนี่ยมันผับใสมันรู้สึกลบต่อเสียงนั้นใจมันไม่เป็นปกติหรือจะเรียกว่าเป็นเพราะ มันใจเนี่ยมันไปยึดมั่นถือมั่นกับเสียงนั้นก็ได้ตัวอย่างที่ธรรมาเอามาเล่าบ่อยนะก็คือเรื่องของหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตราเนี่ยท่านมรณภาพไปยี่สิกบกว่าปีแล้วตอนที่ท่านมรณภาพท่านก็อายุหนึ่งศตวรรษเหตุการณ์ที่ก็เกิดขึ้นเมื่อมาห้าสิบปีที่แล้วพานึงโยมนิมนต์ให้ท่านมาฉันเพนในกรุงเทพท่านก็นั่งรถจากสิงห์บุรีมา ทันเพลยเสร็จยงก็เห็นว่าหลวงปู่เนี่ยชร า, าแล้วอย่าพึ่งกลับกลับวัานเลยนะนะพักผ่อนก่อนก็จัดห้องให้ท่านพักให้ท่านเองหลังตอนนั้นท่านก็แปดสิบเข้าไปแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยมานั่งเป็นเพื่อนลูกศิษย์เนี่ยเวลาจะคุยกันก็กระซิบกระซาบ <c oughs> ไม่อยากจะรบกวนหลวงปู่แต่บังเอิญห้องของหลวงปู่เนี่ยนะ มันติดกับร้านโชว์หัวร้านขายของชําเป็นห้องแถวเจ้าของนี่เป็นอาซิมคนจีนสมัยก่อนเนี่ยสวมเกีย้ยเกี้ยไม้เ <Yeah. S 1> พื่อเราคงทันนะเกี้ยไม้สมัยก่อนรองเท้ายามยงมันยังไม่ค่อยมีหรอกอาตมามาเห็นรองเท้ายางก็ตอนอายุ 6-7 ขวบถนะึงจะเห็นรองเท้ายางทั้งพลาสติกแต่ก่อนอาตมาก็สวมเกีย้ยสวมเกี้ยเนี่ยเวลา เดินนี่นะลยว่าขึ้นมันดายเสียงมันดังมันก็ดังเข้ามาถึงห้องที่หลวงปู่เนี่ยกำลังจำวัดกำลังเอหลังลูกสิกก็ไม่พอใจก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินไม่เกรงใจกันเลยเสียงดังจังเลยบนหลวงปู่ท่านเอนหลังอยู่แต่ท่านไม่ได้หลับนะท่านก็เลยเรยขึ้นมาเบาๆ ว, ว, ว่าเขาเดินเขา อ, อยู่ดีๆเราหูไปลองเกียบกขาเอง เสียงเกี้ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออาหูไปลองเกี้ยวแวหูไปลองเกี้ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีสตินะไม่มีสติจิตมันก็เลยไปจับอยู่ที่เกียวเสียงเกียวจิตมันไม่ไปจับที่เสียงเกี้ยว จ, จ, จิตมันมีความรู้สึกไม่พอใจนะเมื่อจิตไม่มีสติหูก็หาเรื่องใช่ไหมฮะหูไปลองเสียงเกี้ยนี่เข้าใจไหมฮะคือพอไม่มีสติเนี่ย เราจะทุกข์เลยเสียงไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าใจของเราเนี่ยมันวางไม่ถูกเกี่ยวข้องกับเสียงนั้นไม่เป็นนะเรื่องเสียงก็มีอีกอีกกรณีหนึ่งหนะลวงปู่หลวงพ่อชาประมาณปีสองศูนเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อชาท่านได้นิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษกับท่านอาจารย์สุมเมโทโธซึ่งเป็นเหตุท่านไปสร้างวัด ที่ประเทศอังกฤษนะวัดอมระวดีวัดปาจิตวิเวนในเวลาต่อมาตอนนั้นเนี่ยเจ้าภาพซึ่งเนชาอังกฤษก็ให้ท่านาพักอยู่ที่วิหารกลางกรุงลอนดอนช่วแฮมสเตดวิหารนี้เนี่ยนะตรงข้ามเนี่ยก็คือผับบาร์มันเป็นย่านกลางเมืองก็เป็นย่านย่านชุมชนแล้วก็มีผับบาร์นะทุกเย็นเนี่ยนะหลวงปูก่ก็หลวงพ่อชาก็จะ่วนพระโยม นั่งสมาธิก่อนที่แสดงธรรมตอนที่พระนั่งสมาธิเนี่ยนะมันก็มีเสียงเพลงดังมาจากผับตรงข้ามกับวิหารอาจารย์สุเมธโธบอกงดหิดมากเลยว่าไม่ใช่แค่เสียงดังเดียวนะเพลงมันจะไม่เพราะด้วยเล่นก็ไม่เพราะเลยนะร้องเสียงหลงหงดหิดมากกันเล่านะแต่หลวงพ่อชาท่านนั่งสงบ เหมือนกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งสิสิบนาทีเสร็จก็พอเสร็จก็มีโยมเนี่ยเจ้าภาพนะชาวกรีกมาหาท่านแล้วก็บอกขอโทษขอโทษที่มีเสียงรบกวนหมพรอชาตอบว่าโยมไปคิดว่าเสียงรบกวนโยมแต่ที่จริงอ่ะโยมอ่ะเป็นรบกวนเสียงเข้าใจไนหะไอ้ที่โยมหนุดนี่แหละเพราะโยมเปรบกวนเสียง ตัวไม่ได้ยกกวนนะแต่ใจไปยกกวนคือใจไปทะเลาะบอกแวงกับเสียงใจไปใจไปทะเลาะบอกแว้งกับเสียงนะสังเกตไหมเวลามีเสียงดังอย่างเช่นเสียงโทรศัพท์เสียงริงโทนนะนะพอหูเราไปจับที่เสียงนะเราก็เริ่มโบนแล้วทําไมเสียงมันดังทําไมเจ้าของโทรศัพท์ไม่ปิดไม่ปิดเครื่องไม่ปิดสัญญาเ น, นี่ยอันนี้เราเรียกว่าทะเลาะกับเสียงและนั่นแหละคือที่มาของความทุกข์ เสียงไม่ใช่ตัวการทําให้ทุกข์แต่ใจที่ไปทะเลาะกับเสียงหรือถ้าพูดอย่างหลวงปู่บดาคือไอ้หูเนี่ยมันไปลองเสียงเกีย้ยวที่ใจทําอย่างนั้นเนี่ยที่ใจเป็นอย่างนั้นเนพราะไม่มีสติฮนะพอจะมีสติปุ๊บเนี่ยมันวางมันไม่เอาเสียงมาเป็นอารมณ์ภาษาไทยเนี่ยไม่เอามาเป็นอารมณ์ ดังก็ดังไปใจก็ยังจดจ่ออยู่กับคาบรรยายมาตมาเสียงข้างนอกจะดังก็ดังไปใจก็ยังอยู่กับลมหายใจอันนี้หมายถึงที่ตอนที่นั่งสมาธิที่วิหารแฮมสเตดแต่เพราะใจเนี่ยนะมันมันทินน้งลมหายใจมันทิ้งกายมันลืมตัวใจนี่มันไปทะเลาะ ก, กับเสียงมันไปอยู่ที่เสียงตอนนั้นเนี่ยใจเนี่ยมันเรียกว่าลืมลืมกายไปแล้ว ใจไม่อยู่กันเนื้กับตัวผู้ง่ายๆและใจที่ไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเนี่ยก็คือไม่มีสติตอนนั้นไม่มีความรู้ตัวเพราะถ้ารู้ตัวเนี่ยมันจะมันจะปล่อยวางเสียงนัะเพราะรู้ว่าถ้าไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นไปทารกเสียงนั้นมันทุกข์มันหงุดหงิดมันรำคาญมันเป็นทุกข์จิตถ้ารู้ตัวเนี่ยมันวางไอ้ที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็ถึงไปจดจ่อแล้วก็ทุกข์ แคเพียงแค่ความสุขตามภาษาชาวโลกเนี่ยถ้าคุณไม่มีสตินะคุณก็ทุกข์นะทุกข์กับเรื่องเสียงดังทุกข์เพราะรถติดกรุงเทพเวลานี้เนี่ยเวลาขับรถในกรุงเทพโดยอว่าช่วง rush hour เนี่ยมันเหมือนกับตกนรกเพราะว่ารถติดแน่นขนัดเวลาเจอสัญญาณไฟจราจรสีแดงเนี่ยจะไม่พอใจมาก เห็นสัญญาณไฟเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงนี่ความดันขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ไปโทษว่าเป็นเพราะจราจรเป็นเพราะสัญญาณไฟแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะเราจะรู้เลยนะว่าที่เราเครียดที่เราทุกเนี่ยเพราใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันใจเราไปนึกถึงจุดหมายปลายทาง พอเจอสัญญาณไฟสีแดงพอเจอรถติดเนี่ยมันคิดไปข้างหน้าล้วสงสัยไปช้าสงสัยถึงที่ทำงานสายไปประชุมไม่ทันมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ใจไปแล้วะตัวอยู่บนรถแต่ใจไปถึงที่หมายฮะอันนี้เรียกว่าไม่มีสติ มันลืมใจมันลืมปัจจุบันถ้ามันลืมตัวเนี่ยใจมันไปอยู่กับไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจไปอยู่กับอนาคตลองเนี่ยเราลองเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจกับมีอกับเนื้อกับตัววางเรื่องจุดหมายปลายทางอะไรที่ยังไม่เกิดยังไม่ถึงที่หมายยังไม่ประชุม ยังไม่ได้ไปถึงที่หมายช้ายังไม่ได้ไปงานสายนะยังไม่ถึงมันอนาคตก็วางเอาไว้ก่อนจิตไม่อยู่กับปัจจุบันใจเราจะผ่อนคลายใจเราเบาเหมือนกับโยมนั่งตรงนี้นะถ้าใจเนี่ยไม่ไปคิดถึงลูกที่บ้านไม่ไปคิดถึงงานที่ค้างคาอยู่นะหรือว่าไม่ไปนึกถึงบอนคืนนี้นะ จะฟังทำได้อย่างสบายไม่วิตกไม่เครียดไม่รุ่มร้อนจิตมันจะเบาจะเย็ น, นอะไรทำให้ใจเราเนี่ยลอยไปอนาคตอะไรทำให้ใจเราเนี่ยมันออกไปจากตัวไม่อยู่กับนื้กับตัวไม่มีสติสติในตุความหมายตัวนี้เนี่ยมันคือ คุณภาพจิตที่ทําให้จิตกำลังอยู่กับจิตมาอยู่กับปัจปจุบนันทําให้ระลึกได้กายกับใจไม่ใช่จําได้เรื่องนอกตัวแต่ระลึกได้เรื่องกายกับใจและเมื่อมีสติมันจะเกิดความรู้สึกตัวตามมาเพราะสติทําให้ใจเนี่ยไม่ลอยแปดดีไม่ลอยแฝดนาค ไม่จมมีู่ใอารมณ์สติทาให้จิตกรรมอยู่กับนื้กับตัวเมื่อจิตกรรมีอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้ตัวเมื่อเกิดความรู้ตัวความหลงลืมก็หายไปอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราทุกข์เพราะความหลงลืมพอความไม่มีความหลงลืมนะพอมีความรู้สึกตัวความทุกข์ก็เข้ามาเล่นงานจิตใจไม่ได้หรือตูวอย่างเช่นเอี่ยนหรือัวใจมันก็จะไม่ไปหาเรื่องเอาความทุกข์จาก อดีตบ้างจากอนาคตเนี่ยมาเล่นงานตัวเองมาซ้ําเติมตัวเองคนเราพไม่มีสติมันทุกข์นะฮะพอใจมันจะคิดไปถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างเมื่อกี้พูดไปถึงว่าพอใจไปอยู่กับอนาคตแล้วมันทุกข์ยังไงบางทีใจเราบินถึ ง, ถงอดีตะฮะของเงินหายของหายถูกโกงบางทีเรื่องเกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วบางทีสิบปีที่แล้ว แต่พอใจนึกถึงทีไรมันก็โกรธหรือบางทีมันก็นึกเสียดายกลุ้มใจแทนที่จะเสียจากของใจก็เสียเพราะหมุ้ง ค, คุณคิดถึงมันบางทีก็นึกถึงคนที่ก็ททำร้ายเราโกหกเราพอเรายศหักหลังเราก็โกรธนะมันมีทั้งความสุขเศร้า ความอาลัยความเสียดายความโกรดสุดแล้วแต่เรื่องเสร็จ แ, แล้วเนี่ยสมมุติว่าของหายไปเงินถูกโกงไปไม่ได้มามันไม่ได้เสียแต่ของใจก็เสียแต่บางทีเสียจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสียเวลาจะทำงานก็ทํางานไม่ได้เพราะไม่มีอารมณ์ไม่มีสมาธิมันมีแต่ความกลับกุ้นใจงานก็เสีย เพืนมาหยอกล้อบุดหงิดกรัดกุ้มใจบางทีก็เป็นล้ะตามความคยบชิงของเขาแต่คราวนี้ mm hmm. ก็โมโหก็ด่านสวนกลับไปทะเลาะ ก, กันเสียเพื่อนอีกมันเสียแทนที่จะเสียแค่ของนะเสียสุขภาพสุขภาพจิตคือเสียใจเสียสุขภาพกายเสียงานเสียเพื่อนเนี่ยเทียงเพราะว่า ไม่มีสติฮะจิตเนี่ยหลายแปรอดีแล้วไม่รู้ตัวไม่มีความระลึกได้ไวไม่มีความรู้ว่าตอนนี้เรากำลังสวดนมนต์อยู่นะตอนนี้เรากำลังฟังธรรมอยู่นะตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่นะตอนนี้เรากำลังขับรถอยู่นะใจมันไปอดีตการที่ใจเนี่ยถูกเผลอ ไหลไปที่ถึงอดีตเนี่ยนะเรียกว่าไม่มีสติเรียกว่าไม่รู้ใจไม่ระลึรกรู้ในสิ่งที่เรากำลังเรากาลังทาตอนนี้ถ้าเราเนี่ยอยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขนะไม่ถูกความโกรธความเศร้าวความหงุดหงิดมาเล่นงานทิ้งแทนจิตใจ อยากจะได้พวกความสงบเย็นในจิใจเนี่ยสตินี่ช่วยได้มากเนะวลาใจเผลอไปนึกถึงเรื่องที่มันเจ็บปวดมีสติรู้ทันพอมีสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตมันจะวาง ไอ้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเทียมอดีตผ่านไปแล้วอนาคตเที่ยมไม่ถึงจิตมันจะวางมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันจะกลับมาเกิดความรูมม้สึกตัวขึ้นมาผู้เจ้าเคยตรัสนะว่าบุคคลเ ม, มื่อรู้สึกตัวบุคคลเ ม, มื่อ ม, มีอความรู้สึกตัว กุศลธรมลรมกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นอาุศลธรมรมใดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปความรู้สึกตัวย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความดํารงมั่นเพื่อความไม่อันตรธ า, านแห่งพระสัตธรรมพระสัตธรรมก็คื อ, อาศาสนาหรือว่าธรรมะอันนี้ท่านเน้นไปถึงธรรมะในการ เราจะมาพูดถึงสติกับความระลึกสติหรือความระลึกได้กับความสึกตัวเนี่ยพูด ค, คู่กันไปนะเพราะว่ามันมันเป็นพี่น้องกันเป็นฝาฟแฝดกันสติช่วยทําให้ไม่หลงลืมแล้วไม่ไม่ไม่หลงลืมเนี่ยนะจิตมันก็จะไม่ไปแบกเอาความทุกข์เอาไว้มันจะปล่อยมันจะวาง ตอนนี้เนี่ยการทํางานของสติเนี่ยนะมันจะมีถ้าเป็นเรื่องการฝึกเนี่ยมันจะมีลักษณะมันจะมีวิธีการที่เฉพาะหรือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่าเมื่อเราเห็นว่าสติเนี่ยมันมีความสําคัญเราก็จะต้องสร้างสติขึ้นมาที่จริงสติมีอยู่แล้วแต่เราทําให้มันมีเพิ่มมากขึ้น วิธีการนะก็คือว่าเวลาทําอะไรเนี่ยเวลาตัวเราทําอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นพูดง่ายคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ตรงนี้ใจก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่บ้านไม่ใช่อยู่ที่ทำงาน เวลากายทำอะไรเนี่ยใจก็รับรู้หรือรู้สึกตื่นเช้าขึ้นมาเราล้างหน้าแปลงฟันเราก็ฝึกสติด้วยการที่ทำความสึกตัวอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ยล้างหน้าแปลงฟันใจก็ไม่ลอยไปที่อื่นเมื่อเราล้างหน้าแปลงไฟกายมีการเคลื่อนไหว ใจก็รู้นะว่ากายกำลังทำอะไรนี่เป็นวิธีการฝึกสติเป็นวิธีการสร้างความรู้สึกตัวไม่ว่าสิ่งที่คุณทำจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องดืดดัดา ด, ดืแค่ไหนก็อย่าไปหาเรื่องคิดโน่นคิดนี่นะคนสมัยนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเวลามีน้อยต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกัน เวลาอาบน้ำใจก็คิดถึงเรื่องงานเวลากินข้าวนะก็ทำาน่นทำนี่พร้อมกันกินข้าวไปนะฟังหูก็ฟังเพลงตาก็ดูลายมือก็จิ้มพิซนะจิ้มข้อความนะเรียกว่ามัลติทัสกิ้งทำหลายอย่างพร้อมกันคิดว่าดีนะเพราะว่าหลายคนคิดว่าดีเพราะว่ามันเป็นการช่วยทุนเวลา แต่ที่จริงมันเป็นการบั่นทอนจิตใจมากเนี่ยทําให้จิตฟุ้งซ่านทําให้ใจเนี่ยหลงลืมได้ง่ายเดยนี้ฝรั่งเนี่ยซึ่งเขาเคยเชียร์ให้คนทำหล า, ลายอย่างพร้อมกันเขาเลิกแล้วนะครับนะเขาบอกว่ามันไม่ดีหรอกหลังจากทําวิจัยมาหลายชิ้นกับคนผู้คนมากมายเนี่ยก็ว่าทําทีละอย่างดีที่สุดมันก็ตรงกับสำนวนที่ว่า เดินทีละก้าวกินข้าวกินข้าวทีละคทาทำทีละอย่างอันนี้เป็นวิธีการฝึกสติเหมือนกันนะฮะเวลากายทำอะไรเนี่ยใจก็รับรู้รับรู้คือรู้สึกนะเช่ขนขณะที่มือกาลังกาลังถูฟันนะใจมันก็รู้สึกเวลาเดินใจก็รู้ว่าเดินคือรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหว แต่อย่าไปเพ่งนะฮะไอการไปเพ่งนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการทําให้เกิดความรู้สึกมันมีคําเรียกเฉพาะว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเวลาทําอะไรเนี่ยนะอย่าไปเพ่งจิตไม่ต้องไปเพ่งที่มือไม่ใช่เวลาเดินจิตไม่ต้องไปเพ่งที่เท้าแค่รู้สึกรวมรวมมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตรงละกษณะเป็นภาวะที่เป็นกลางๆงที่จะช่วยทําให้ใจสบายเพราะถ้าคุณไปเพ่งมันเนี่ย จะเครียดทําไปนานๆแล้วเวลาคุณข้ามถนนเนี่ยถ้าคุณไปเพ่งที่เท้าเนี่ยนะอันตรายนะใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีความสุกตัวโทั่พร้อมเนี่ยข้ามถนนดีนะฮะใจไม่ลอยไม่คิดถึงงานใจตาก็ดูถนนนะขณะที่เท้าเคลื่อนใจก็รับรู้แล้ถ้าเกิดว่าใจมันเผลอคิดนึกนอะไรไปก็รู้ทันแล้วก็วาง เวลาคุณทําอะไรเนี่ยใจก็รับรู้เนี่ยเรียกว่ารู้กายนะรู้กายภู้าตรัสว่านะในในในเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีสี่ข้อนะกายานุ ป, ปัสสนาเวทนานุ ป, ปัสสนาจิตานุ ป, ปัสสนาธรรมานุ ป, ปัสสนานะ พ, าานานะพูดง่ายคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะพูดง่ายๆสั้นๆง่ายๆนะ รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมย่อหรือสองก็คือรู้กายกับรู้ใจนะเพราะเวทนาเนี่ยมันก็เกิดมันก็เกิดขึ้นที่กายบ้างเวทนาเกิดขึ้นที่ใจบ้างนะเราย่อหรือสองก็คือรู้กายกับรู้ใจนี่เป็นวิธีการฝึกสตินะเป็นเป็นแนวปฏิบัติในการฝึกสติในชีวิตประจําวันคือรู้กายกับรู้ใจก็คือว่ากายทําอะไรใจก็รับรู้ หรือว่าใจก็รู้สึกรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่ feeling นะฮะหมาถึง sensation เช่นตอนยกมือเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามือเคลื่อนนะลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ว่ามันมีการเคลื่อนมีการ ม, มีลมเคลื่อนผ่านเข้าไปในร่างกายอันนี้เรียกว่า sensation ก็คือว่ารู้กายในการเจริศาสติ์การการภาวนาแบบพุทธเนี่ยขั้นพื้นฐานคือรู้กายเช่นตามลมหายใจ นะก็ให้รู้ลมที่มันเข้าออกเดินจงกรมก็ให้รู้ว่าเดินนะปฏิบัติแบบลงขัอเทียนยกมือสร้างจังหวะนะก็ยกมือก็ให้รู้ว่าให้รู้สึกว่ามือมันยกหรือว่าจะย่อหรืออย่างง่ายกระดิกนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาก็ให้รู้สึกคือรู้ว่ากายมันเคลื่อนไหว ต่อไปเนี่ยก็ฝึกสติให้รู้ใจใจมันเผลอคิดอะไรไปก็รู้ทันมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นกับใจนะก็รู้รู้เพราะอะไรเพราะว่าใจมันกระเพื่อมรู้เพราะว่าเวลา ม, มันมีอารมณ์เกิดขึ้นในใจมันจะไม่ปกตินะเลือใจกระเพื่อม ที่มันก็เพื่ออะไรตอนคิดแล้วล่ะเนะพราะพคิดคิดเรื่องที่ชอบมันก็ฟูคิดเรื่องที่ไม่ชอบมันก็แฟกนะอันนี้ก็เรื่องใจไม่ปกติก็ให้รู้ทันนะสรุปง่ายๆเนี่ยคือว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะนี่คือการเจริญสตินะรู้กายเคลื่อนไหว หรือว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเห็นเนี่ยคือเห็นด้วยสติไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยตาในนะเวลาคุณผูฟันเวลาคุณอ่านาน้าใจมันลอยก็ให้รู้ทันว่าใจมันลอยดึงกลับมาดึงจิตกลับมาอยู่ที่กับเนื้อกับตัวจิตก็จะเริ่มรู้รู้กายจิตถ้ามันอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่มารู้กายเมื่อนั้น น, นนะฮะ ถ้าจิตเราอยู่กับตัวตอนนี้เราจะรู้ว่ากายกลาลังนั่งแต่เพอสักพักมันก็คิดลอยใจลอยไปแล้วก็ให้รู้ทันอารมณ์ต่างๆเนี่ยคุณแค่รู้ทันมันพอแล้วคุณไม่ต้องไปกดข่มมันไม่เป็นความเศร้าความโกรธความเสียใจความรู้สึกผิดหลายคนเนี่ยไม่ชอบ รวมทั้งความคิดฟุ้งร้างก็ไม่ชอบก็พยายามกดข่มมันและความคิดและอารมณ์เนี่ยคุณยิ่งกดเนี่ยมันยิ่งต้านแรงกดเท่ากับแรงต้านนะนะวิชาฟิสิกส์เนี่ยของนิวตันกดให้มันกดของนิวตันเนี่ยยิ่งกดมันยิ่งมีแรงต้านถ้าคุณไปกดอารมณ์และความคิดเนี่ยมันก็จะมันก็จะสู้ ในบางขณะ ด, ดูเหมือนว่ากดสำเร็จมันหายไปที่จริงมันไม่หายนะมันซ่อนอยู่แล้วมันคอยโผล่มาตอนคุณเผลอบางคนไปกดความคิดห้ามความคิดนะเวลาภาวนาเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบความฟุ้งซ่านพพราฟุ้งซ่านทำให้ใจไม่สงบก็ไปกดมันเอาไว้ก็ดูมันสำเร็จนะแต่พอจะนอนเนี่ยโอ้โหมันฟุ้งมันพุ้ง้วนะมันเรียกว่ามันพลั่งครู จนกระทั่งนอนไม่หลับบางทีไปผลในความฝันอะไรที่กดไว้นี่นะมันไปปลในความฝันถ้าไม่ถ้ามันไม่มาควนตอนตื่นหรือตอนกลางวันแค่รู้ทันครับเป็นมีคนถามลูก ป, ปูดูนอตุโลลูก ป, ปูดูนถ้าเป็นป ล, ลูกศิษย์รุ่นแรกๆลูกปู่มมั่นก่อนหลวงตามหาบุญเยอะลูก ป, ปูทำไ ง, งตรงจะตัดความปวดให้ขาด หลายคนเนี่ยนะรู้สึกเป็นทุกข์มากความโกรธและนี่ก็เป็นคําถามที่อยู่ในใจหลายคนทํำไมตัดความโกรธให้ขาดลุงปู่ตอบว่ายัางไงลุงปู่ตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองนะคุณไม่ต้องทำอะไรมันเพียแค่รู้ทันมันนะมันดับไปเอง ในความโปรดและอารมณ์เปี่ยกุศลเนี่ยมันมีจุดอ่อนอย่างนึงนะก็คือมันกลัวการรู้ทันเพราะจริงจิมันเกิดขึ้นได้เพราะเราหลงเราลืมเราเผลออารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะเราเผลอเพราะเราหลงอาจมาพูดไปแล้วมันเกิดขึ้นได้เพราะเราเผลอเราหล ง, เ ร, ลงเราลืมลืมตัวนะท น, นี้พอรู้ทันเนี่ยมันแปลอะไรแปลว่ามีสติกลับมามันแปลว่าเกิดความรู้ตัว จุดอ่อนก็มาอยู่ตรงนี้นะมันก็เหมือนกับช้างเนี่ยนะตัวมันใหญ่นะเหมือนก็ยักษ์ปักหลานเนี่ยแต่มันมีจุดอ่อนควายก็มีจุดอ่อนนะสนตะภายก็เสร็จละนะคนเนี่ยคุมช้างได้เพราะรู้จุดอ่อนของมันแค่มีตะขอเนี่ยก็สามารถจัดการกับมันได้อารมณ์ที่เราสู้ันจัดการกับมันยากเนี่ยนะจุดอ่อนมันอยู่ที่ว่ารู้ทันมัน จริงๆแล้วเนี่ยไออารมณ์ทุกชนิดนะโดยเฉพาะอารมณ์อกุศลเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะฮะอันที่สองคือความคิดฟุ้งซ่านด้วยหลายคนภาวนานเนี่ยจะรู้สึกเป็นทุกข์มากว่าทําไมฟุ้งซ่านเหลือเกินหลายคนเนี่ยภาวนานไม่ได้ตลอดนั่งห้านาทีก็ก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะมันฟุง้งความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหานะฮะปัญหาคือความไม่ชอบฟุ้งซ่านปัญหาคือปัญหาคือ การเกลียดความฟุ้งซ่านและที่เกลียดเพราะอะไรเพราะอยากได้ความสงบยิ่งอยากความยิ่งอยากหรือต้องการความสงบก็ยิ่งไม่ชอบความฟุ้งซ่านและนี่แหละคือปัญหาความรู้สึกลบต่อความฟุ้งซ่านเพียงแค่วางใจเป็นกลางกับมันรู้ทันมันด้วยใจที่เป็นกลาง หลวงพ่อของอตมาหลวงพ่อหลวพ่อเทียนเ่ท่านท่านจะสอนนักปะิบัติ ว, ว่าให้รู้ซื่อรู้ซื่อคือรู้เฉยเฉยรู้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันความคิดดีก็ไม่ตามมันความคิดชั่วก็ไม่ผักไสมันหลวงพ่อาเขียนท่านสอนว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างแค่รู้เฉยเฉยก็พอแล้วนะ อารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่อกศุศลเนี่ยนะมันไม่ใช่ปัญหาเป็นกลางๆงความโกรดความคุ้งซ้านความเกลียดความเศร้ามันเป็นกลางๆางนะมันอยู่ที่ว่าตอนที่เกิดเนี่ยเรารู้หรือเราหลงถ้าหลงเนี่ยนะเราเป็นทุกข์เพราะมันแต่ถ้าเรารู้มันเป็นประโยชน์นะฮะรือยงน้อยเนี่ยมันทาเราอะไรไม่ได้ เสียงดังเนี่ยนะมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเรามีสติหรือไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็จะทุกข์ใจหนุกห ง, งิดแต่ถ้าเรามีสติเฉยๆนะที่จริงเนี่ยแม้แต่เป็นคำดา่านะถ้าหลงเมื่อไหร่ทุกโกรธโมโหแต่ถ้ารู้คือรู้ตัวนะหรือมีหรือมีสติเนี่ย มันกลับดีนะฮะสมัยที่หลวงปู่ขาวอนายโยเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยที่วัดทรรกองเพลมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีสาแม่ชีเนี่ยขนไควช่วยเหลืออุปถัมภ์พระและเนรดีมากไม่ใช่แค่นั้นแม่ชีก็ปฏิบัติดีด้วยจนหลวงปู่หลวงปู่ขาวก็ชม วันนึงเนี่ยลูกปู่เขาสั่งให้ลูกศิษสององค์ไปทำลายทราบนะฮะไปดูไปด่าไปว่าแม่ชีสาถ้าสองรุ่นนี้ก็คงงงๆงกันนะเพราะแม่ชีสาก็ดีอ่ะแต่ครูบาอาจารย์สั่งเขต้องไปไปถึงกุติก็ไปด่านะคิดหาครมดาหาเรื่องโนเรื่องนี้มาว่าแม่ชีสาแก่งงงงงนะแต่แกก็พนมมือ แล้วก็ฟังด้วยอาการสงบทั้งสองรูปด่าจนไม่รู้จะด่าอะไรแล้ว <c oughs> หยุดแมชีสาก็เลยพูดขึ้นมาแทนที่จะโกรธแทนที่จะพูดด้วยความม่ือดตาำใจกลับพูดว่าท่านอาจารย์ดูดา่าดิฉันหมดแล้วเหรอดิฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกิน <c oughs> ที่พูดมาที่เป็นธรรมะทั้งนั้นเลย เขาหน้านิมนด่าใหม่นะเพราะว่ามันช่วยขูดีิหลสดีเหลือเกินได้ศี้สาแทนที่จะโกรธแทนที่จะน้อยใจครูบาอาจารย์โอ้โหครหูบาดูแลพระเนรดีปฏิบัติก็ไม่บกพร่องยังถูกด่าอีนะไม่เคยถูกครูบาอาจารย์ด่านี่ถูกดาวนี่สวยเหลือเกินอาจจะสิมน้อยใจเว่าทําไมอาจารย์มาดา่าเราหรือบางทีอาจจะโกรธอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ไม่เป็นธรรม หรือบางทีจจะรู้สึกว่าแล้วเราจะเอาหน้าไปซุกหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดคนในวัดเขารู้แม่ชีในวัดเขารู้โยมเขารู้ว่าเราถูกอาจารย์ดา่าเราจะหน้าสุกไว้ที่ไหนแม่ชีสามไม่คิดแบบ น, นี้เลยคิดเมื่อไหร่ก็ทุกนะถ้าคุณคิดแบบ น, นี้ก็ทุก ท, ทันทีแต่แม่ชีสาเนี่ยนะมีสตินะครพอมีสติเนี่ยก็ก็ได้คิดละเออ ที่ครูบาจารย์พูดหรือครูบาอดจารย์ดา่ามีประโยชน์ทั้งนั้นมันช่วยขูดกิเลสออกไปนะมันเป็นประโยชน์สติมันช่วยนะฮะความรู้ตัวมันช่วยอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นดีหรืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์นีคราหนึง่งหลวงพ่อพุทธานิโยนะหลายคนคงได้ยินชื่อหรือเคยไปกราบท่านท่านบรราพัไปหลายปีแล้ว ท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านเป็นพระหนุ่มอาอยุแค่สามสิบ้งถ้าไปบิณฑบาต ท, ท่านไปทำบัญชาที่อุบลวันนึงก็ไปบิณฑบาตนะก็ในเมืองอ่ะ น, นะก็เห็นโยมคนนึงยืนรอใส่บาตรท่านก็เดินไปหาโยงคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงมีลูกชายาวิทขวบยืนอยู่เป็นเพื่อนท่านเดินไปใกล้อยู่เด็กคนนั้นก็พูดขึ้นมาอยู่ดีๆเด็กคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่า มึงบอกแม่นพระดอกมึงบอกแม่นพระดอกผู้กระทานนะว่ามึงก็ไม่ใช่พระมึงก็ไม่ใช่พระทีแรกท่านฉุนเลยนะเสร็จแล้วท่านได้สติท่านคงรู้ทันความฉุนความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วท่านได้สติแล้วก็ท่านก็นึกในใจเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธแค่นี้เลยนะความโกรธหายเลยนะท่านก็ เดินไปรับบาตจากโยงคนนั้นเพื่ยการปกติและตอนหลังท่านก็พูดถึงเด็กคนนี้ว่าเป็นอาจารย์ของท่านไอเด็ก5้าคนก็นคืออาจารย์ของท่านนะเพราะว่ามาสอนท่านได้หลายอย่างแล้วก็มาฝึกสติของท่านด้วยเห็นฮะพอโกรธเวลาโกรธนี่นะมันพอน้อเผลอฮะแต่พอได้สติขึ้นมาหนึ่งมีสติเห็นรู้ทันความโกรธ พอมีเสร็จก็ทางความโกรธเนี่ยปัญญาญก็เกิดเออจริงของมันเราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระต้องไม่โกรธแต่ถ้าหลงนะฮะถ้าหลงนะจะโกรธหนักเลยกูเป็นพระมาพูดกูนี้ได้ยังไงกูเป็นพระเห้ยใช่ไหมพอหลงนะไอความเป็นพระเนี่ยมันยิ่งไปเพิ่มความโกรธแต่ถ้ารู้คือรู้ตัวเนี่ยหรือรู้ทัน เหมือนกันนะรู้ตัวกับรู้ทันนี่เหมือนกันมันดีอะ่ะไอ้คำพูดที่หยาบคายก็ดีหรือความโกรธที่เกิดขึ้นก็ดีเนี่ยมันกลายเป็นของดีหรืออย่างน้อยๆมันทาอะไรไม่ได้ันันการเจริญสติเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราจับหลักได้เนี่ยนะมันก็สุดได้ง่ายๆนะด้วยคำพูด ที่หลวพ่ออ ง, องขอตมาท่านพูดเนะี่ยรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดมือคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะจะใช้กายเวลากายจะเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ก็เพราะมีการทำกิจคาว่ากิจในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงทำงานอย่างเดียวนะไม่ได้หมายถึงการทำมากินอย่างเดียวนะคุมไปถึงว่าการอาบน้ำล้างหน้าถูฟันอันนี้ก็เป็นการทำกิจ คนเราเนี่ยเวลาเวลาทํากิจกายมันจะเคลื่อนไหวนะขับรถนะแม้กระทั่งถ่ายนางถ่ายบามันก็มีการเคลื่อนไหวอย่างน้อยๆก็ลมหายใจเคลื่อนไหวตาก็พลิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดว่ารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้จิตคิดนึกเมื่อเกิดผัดสะจิตมันจะกระเพื่อมเนี่ยก็ต่อเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใช่ไหมฮะ ลิ้นได้รถลิ้นรับรถนะกายมีสัมผัสนะเมื่อใดก็ตามที่เกิดผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยใจมันจะกระเพื่อมมันจะมีความคิดมันจะมีอารมณ์ปรุงแต่งให้รู้ทันเพราะนั้นเนี่ยก็พูดได้อีกแบบนว่ารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจ รู้ติดคิดนึกเมื่อเกิดผัสสะแล้วคนเราทั้งทั้งวันเนี่ยนะมันมีแค่2 อ, อย่างคือทํากิตกับเกิดผัสสะนะยี่ิบสี่ชั่วโมงเราเนี่ยนะหรือเอาเอาช่วงเวลาตื่นในเาสิบแปชั่วโมงมันก็ทำสองอย่างคือทำํำจิตนะกับเกิดผัสสะอันนี้ต่อไปพอคุณรู้กายเคลื่อนไหารู้ใจคิดนึงนะคุณก็จะมีความสามารถในการรู้ทันเวทนา เมื่อกี้บอกไว้แล้วนะว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันก็คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้เวทนาเวทนา ท, ที่นี่คือสุขเวทนาเช่นความสบายลนะมพัดเย็นสบายเนี่ยเรียกสุขเวทนาทุกขเวทนาเช่นแดดร้อนกระทบกายหรือว่าตอนนี้ปวดเมื่อยนะเกิดทุกขเวทนาทางกายคุณก็แค่รู้ทัน รู้ทันเนี่ยนะสำนวนหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ใช้คือว่าเห็นเห็นเวทนาครูบาอาจารย์ท่านจะใช้โดยแยกให้เห็นความแตกต่างว่าเห็นอยากเข้าไปเป็นเห็นเวทนาอยากเข้าไปเป็นเวทนาเห็นความปวดจะเป็นผู้ผู้ปวดมันช่วยได้มากทีเดียวนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ย เวลาเราเกิดปวดขึ้นมานะเราไม่เห็นนะเราเป็นเลยฮะเป็นผู้ปวดทำนองเดียวกันเวลาโกรธเวลาหงุดหงิดมันไม่ใช่เห็นนะมันเป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้หงุดหงิดสติ ม, มันช่วยทาให้เห็นไม่ค่ไปเป็นนะใหม่ๆจะไม่เข้าใจว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าพอเจริญสตมิมันจะมันจะรู้เลยว่ามันเกิดการเห็นไม่ค่อยปเป็นเริ่มจะเห็นความคิดไม่เป็นผู้คิด เห็นว่าความคิดไปอันหนึงที่ไม่ใช่เราเห็นความโกรธว่าเป็นอันหนึงไม่ใช่เรานะความโกรธเกิดขึ้นนะถ้าไม่เห็นนะมันเข้าไปเป็นนะเหมือนกับมีกองไฟเกิดขึ้นความโกรธเนี่ยเปลี่ยนเหมือนกับเหมือนกับไฟโทสาร ม, มันกับเปลวเปลวไฟกองไฟเนี่ยถ้ามันไหม้แล้วเราเข้าไปอยู่ในกลางกองไฟเนี่ยปวดนะมทรมานไนหะ แต่ถ้าเราออกมาจากกองไฟแม้กองไฟยังมีอยู่แต่เราไม่ปวดไม่เจ็บแล้วยิ่งอยู่ห่างกองไฟเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่รู้สึกร้อนกองไฟยังมีอยู่แต่ว่าไม่ทุกข์ละอันนี้มันก็เหมือนกับการทํา ง, งานสติเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเราเพียงแต่เห็นความโกรธไม่ค่อยไปเป็นผู้โกรธเนี่ย มัมก็ว่ามีกองไฟเกิดขึ้นแต่ว่าเราออกมาอยู่ห่างๆเดี๋ยวมันก็ดับไปเองไอ้ตอนที่มันยังไม่ดับเราก็ไม่ทุกข์ความโกรธมีแต่ถ้าไม่เป็นผู้โกรธนันมันไม่ทุกข์นะฮะผู้ยานเนื้อโกรธแต่ไม่ไม่ไม่เป็นผู้โกรธนะมีความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธมีความฟุ้งซ่านแต่ไม่เป็นผู้ฟุ้งซ่าน อานะตมาท่าบอก ว, ว่าความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาความโกรธไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณหลงหรือรูอ้ถ้าคุณหลงคุณก็เป็นเป็นผู้โกรแต่ถ้าคุณรู้คุณก็แค่เห็นมันไม่ก็ไปเป็นมันเวทนาก็เหมือนกันนะเวทนาความความปวดความปวดความเมื่อยนะถ้าคุณมีสติคุณเห็นมันมันไม่เป็นผู้ปวด มีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่บุตดามีคราวหนึ่งท่านไปผ่ามือในไตผ่าเสร็จสักพักท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรและก็อ ย, อยังชั่วล้วคือท่านจะออกแล้วท่านจะกลับวัดแล้วหมอพยาบาลตกใจหลวงปู่ไม่เจ็บเหร อ, อคนที่ผ่าเบาผ่าน้อยกว่าหลวงปู่เนี่ยยังบ่นว่าเจ็บเลยต้องนอนพักหยุดนานหลวงปู่ไม่เจ็บเหร อ, อ ผมบอกเจ็บสิทำไมไม่เจ็บนะร่างกายหลวงปู่เหมือนคนทั่วไปแต่ใจมันไม่ได้เจ็บด้วยพูดอย่างนี้นะเจ็บเนี่ยแต่กายเจ็บเนี่ยเหมือนว่ากายมันเจ็บแต่ใจมไม่ได้เจ็บด้วยอย่ามาปนกันอันนี้เพราะว่าท่านท่านเรียกว่าท่านมีทั้งสติและปัญญา ถ้าไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันเจ็บฉันเจ็บคนเราเนี่ยพอกายเจ็บมันจะรู้สึกทันทีว่ากูเจ็บฉันเจ็บอันนี้เราเกิดผู้เป็นขึ้นมาแล้วเกิดความยึดมันสำคัญหมายผู้อย่ากคือว่าจิตมาไปไปยึดเอาความเจ็บของกายมาเป็นความเจ็บของกูถ้าคนเราเนี่ยยังมีความหลงผิดว่ามีตัวกูอยู่เนี่ยกายเจ็บทีไรกูเจ็บตา ม, มาทุกที เมื่อกี้ตมาพูดไปแล้วนั้นหลงนี่มีสองอย่างนะหลงลืมกับหลงผิดนะไอ้หลงผิดว่ามีกูเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวหนึ่งเลยนะอ้อนเคยมีกูเนี่ยนะพอกายเจ็บเนี่ยกูเจ็บตามมาแต่หลวงปู่เนี่ยกายเจ็บก็กายเจ็บไปแต่ไม่มีกูเจ็บนะจิตมันก็เลยไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ไม่เจ็บนะฮะเจ็บนะแต่ว่าถึงแม้เราจะยังไม่สามารถต้นความหลงผิดได้คือยังมีความหลงผิดยังมีวิชาอยู่ แต่อย่างน้อยถ้าเรามีสติเนี่ยมันช่วยทำให้จิตเนี่ยนะไม่ค่อยไปเป็นเห็นไม่ค่อยไปเป็นเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะะและเชื่อไหมฮะสติ ต, ตัวนี้เลยนะแม้เวลาโดนไฟคลองเนี่ยแต่ว่าจิตมันไม่ทุกข์เลยนางสามาวดีเนี่ยนะโดนไฟค่องนะฮะ ถูกแกล้งถูกนำมาคันธิยาแกล้งให้ไปติดอยู่ในคลังผ้าที่มีผ้าเยอะๆแล้วก็จุดไฟเผาพร้อมกับบริษัทบริวาร500คน500คนแปลว่าเยอะไม่ได้แปลว่า500ตามตัวอักษรนางสาอดีเป็นเหเซสพระเจ้าอุเทนเมืองโกสัมพีพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนึ่ง ให้ใครนาบังคติยาไม่โกรธแผ่เมตตาให้สองเอาเวทนาเป็นอารมณ์นะอันนี้เป็นภาษาธรรมบนะ้าเอาเวทนาเป็นอารมณ์หมายว่าพิจารณาเวทนาหรือว่าดูเวทนาเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นดูไม่เข้าไปอยู่ต่างกันนะฮะดูเวทนาคือไม่เข้าไปอยู่ในเวทนาถ้าก็าอยู่ในเวทนาก็เหมือนกับปอยู่กลางกองไฟ ร้อนแต่ถ้าดูก็เหมือนกับว่าออกมาจากกองไฟแล้วก็ดูมนันเฉยๆไฟยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์ความป่วยมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์เพราะว่าดูไม่เข้าไปอยู่เห็นไม่เข้าไปเป็นอันนี้เ ป, นเป็นเรื่องของสติโดยตรงนระครับบอกว่าตายไปเนี่ยตัวดำเป็นตอตะโกนนะแต่ว่าจิตบรรลุธรรมขั้นสูงเพราะว่าเกิดปัญญาเห็นธรรมเห็นธรรมว่าสังขารเป็นทุกข์มาก มีหลายท่านเนี่ยบรรลุธรรมตอนใกล้าตายหรือว่าตอนจะตายเนี่ยในในใ น, ในระไตรปิฎกจะมีเยอะคนที่พระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมสิ้นกิเลสเพราะว่าก็สิ้นลมหรือว่าบรรลุธรรมตอนจะตายเนี่ยโดยแล้วแต่เปเพราะเจอเวทนาหนั ก, ห น, กหนักทั้งนั้นเช่นถูกไฟคลอบตายนางสาวอดีเมตเป็นพระอรหันต์เป็ น, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นแค่อนาคามถูกเสือกัดตาย สุขเสือกตายนี่มีพระบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ป่วยตายด้วยความทุกข์ทรมานอย่างพระติดสันะทุกขเวทนากรรมเริ่นะแต่ว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะได้เห็นว่าธรรมชาติของสังขารเป็นทุกข์มากแม้กระทั่งพระที่ฆ่าตัวตายแต่ตอนที่อย่างพระโคติกาเนี่ยพระโคติกาเนี่ยมีโรคมีโรคประจําตัวที่ทําให้ทุกข์ทรมานมากแต่เวลา เข้าฌานเนี่ยหายมีลราเข้าฌานเนี่ยหายเลยนะแต่เพราะฌานมันธรรมชาติฌานมันเสื่อมพอเสื่อมก็ปวดไปก็เข้าฌานก็หายเสร็จแล้วฌานเสื่อมปวดอีกเป็นอย่างนี้หกครั้งก็เลยคิดว่าเนี่ยเข้าฌานครั้งหน้าเนี่ยจะขอตายในฌานแต่ได้ไม่ต้องกลับมาทรมาน แล้วทำไงฮะพอเข้าชาเสร็จกลางจ่อยชานเนี่ยเ อ, เอาเอามือเอามีดปาดคอตายนะฮะแต่ว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ใช่เพราะว่าฆ่าตัวตายนะฮะไอตอนที่เอามีดปาดคอเนี่ยเกิดได้สติภาษ า, าพระธรรมเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็คือดูเวทนาปวดนะฮะปวดแต่ว่า ท่านใช้สติดูเวทนาก็เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากตอนนั้นเนี่ยเป็นภาวะที่เห็นเวทนาไม่ใช่เป็นเป็นผู้เจ็บถ้าคุณเป็นผู้เจ็บเนี่ยคุณไม่เห็นเห็นธรรมชาติของสังขารนะฮะถ้าคุณเป็นผู้ป่วยเนี่ยคุณจะไม่มีทางเห็นทุกขังที่เกิดกับสังขารได้เลยแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านเห็นฮะท่านไม่ได้เป็น ท่านเห็นเวทนาแล้วก็เลยเห็นต่อไปว่าสังขารเป็นทุกข์มากตรงอับที่พระอาจาตรัสว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งมวลเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเหนือยนานในสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมบรรจุในช่วงวินาทีนั้นเนี่ยพระโคติกาเกิดปัญญาเห็นแจ้งในปลายลักบรรลุธรรมเป็นพระรหัตแต่พระส่วนใหญ่เข้าใจว่าพระโคติกา ไปไม่ดีเพราะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ไปไม่ดีแต่ผู้เจ้าเพียารณาว่าเป็นพระอาหารหันต์นะฮะและไม่ใช่มีรูปเดียวท่านมีหลายรูปนะฮะฆ่าตัวตายแล้วเป็นพระอาหารหันต์แต่ไม่ได้แปลว่าเพราะฆ่าตัวตายน ะ, ะแต่เพราะว่าท่านมีสติเห็นเมตนาพระสัพพะาก็ฆ่าตัวตายนะฮะพระฉันนาก็เหมือนกันดังคนที่เราคิดว่าฆ่าตัวตายเนี่ยตนนรกห้าร้อยชาติเนี่ยมันก็ไม่จริงนะฮะ ค่าตัวตายและบรรลุธรรมนข้อหลักานก็มีแล้วไม่ใช่มีรูปเดียวแต่ไม่ใช่เพราะว่าค่าตัวตายต้เข้าใจจิตมันพลิกตอนท้ายนะเพราะใช้เพราะสติเห็นเวทนาพราษาพร ะ, พระท่านนี้ว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์อารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นเป็นเครื่องรับรู้ของจิตเพราะฉนั้นเนี่ยการมีสติเนี่ยสำคัญมากนะทั้งในขั้นตอนของการมีความสุขแบบโลกโลก มีความสุขแบบพ่อแบบแม่มีความสุขแบบปุถุชนแล้วก็มีหรือแม้กระทั่งพ้นจากความทุกข์นะสุขแบบอรหันเนี่ยสติเนี่ยเป็นตัวสําคัญนะพูดถึงสุขแบบพ่อแม่นนะก็มีก็มีเรื่องเล่าคราวเนิร์ตมาเขก็ไปงานศพพ่อเพื่อนก็ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่ง ตอแกเห็นเห็นอันตามาแกก็มาขอบคุณเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ปตั้งแต่ปสนะามาปสี่นะรู้จักกันมาห้าสิบปีแล้วเป็นนักธุรกิจใหญ่อัตามาก็สงสารมาขอบคุณเรื่องอะไรเพราะไม่ค่อยได้เจอกันแกบอกว่าเคยมีความทุกข์มากกับลูกลูกเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยขยันขันแข็งตัวแกเป็นคนที่ขยันแล้วก็ตั้งใจเรียนเด็กเรียนดีนะ มีวินัยแต่ลูกเนี่ยนะก็มันก็เด็ก Gen X Gen Y นะก็อย่า ง, งนางงั้นอย่างนะั้นนั้นนะแต่ว่าพ่อเนี่ยรับไม่ได้ความรักลูกมากก็เขีเ่ยวเข้นลูกด่าว่าลูกแล้วก็มีความทุกข์และความสัมพันธ์กับลูกกับพ่อระหว่างลูกกับพ่อก็แย่ลงลูกก็เริ่มไม่สนใจพ่อเห็นหน้าพ่อแล้วไม่อยากคุยอยากหนีหาหันหลังให้ ก็ บ, า, บางคนจะไปได้ฟังเทปไปฟังคำบรรยงพระตรร ม, มาผู้เรื่องการปล่อยวางแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ปล่อยวางเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ลูกก็ไม่ใช่ของเราเราพูดว่าลูกเลี้ยงได้แต่ตัวก็จริงๆก็ไม่ใช่เราอยากจะให้ลูกอ้ว น, นก็ไม่อ้วนเราอยากจะให้ลูกผอมมันก็ดันอ้วน <S <S ใช่ไหมเลี้ยงได้แต่ตัวยังเลี้ยงไม่ได้เดี๋ยวนี้ <S <S <S แล้วจะเลี้ยงใจยังไงใช่ไหม โอเคเราก็มีความรักเขาแต่ว่าก็ต้องปล่อยวางเขาบ้างเพราะเขาไม่ใช่ของเรา mm hmm. เขามีชีวิตของเขาเองเราก็ทำได้เพียงแค่กระละยนานมิตรแกได้ฟังแกก็ได้คิดนะแกก็เริ่มแกก็เห็นใจเห็นเห็นตัวเองเลยว่ามันมีความคิดมั่นถือมั่นกับลูกมากลูกของกูลูกของกูกงกแกก็ปล่อยวางแต่ยังมีความรักนะก็ยังมีความเอาใจใส่คอยคอยดูแลแต่ว่าเริ่มวาง เพราะว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงฮะตัวแกเองแกก็สบายใจมากขึ้นส่วนลูกเนี่ยก็เปลี่ยนไปความสัมพันธ์แกระหว่างแกกับลูกดีขึ้นวันหนึ่งลูกพกลูกบอกว่าพูดกับพ่อพ่อเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปยังไงพ่อฟังลูกมากขึ้นแล้วแก ง, งงนะพราะแกไม่ได้คิดตั้งใจจะฟังลูกเลยเพียงแต่แกแค่ปล่อยวางแค่นั้นแหละนะะเพราะปล่อยวางมันฟังเองนะฮะเพราะปล่อยวางมันฟังเอง ทอตอนนี้ไม่ปล่อยเนี่ยมันคิดแต่จะยัดเยียดความคิดของตัวเองให้ลูกแต่พอปล่อยวางแล้วมันเริ่มฟังมันออกมาเองฮะพอลูกเนี่ยพบว่าพ่อฟังลูกลูกก็เริ่มฟังพ่อนะคนที่มีปัญหาว่าทําไมลูกไม่ฟังเราอ่ะมีคนมาปรึกษาธรรมาหลายคนนะธรรบอกว่าฟังลูกก่อนเลยถ้าเราฟังลูกมาแล้วลูกจะฟังเราเมื่อนั้นนะส่วนใหญ่ที่ลูกไม่ฟังพ่อเพราะพ่อไม่ฟังลูกหรือแม่ไม่ฟังลูก ทำนี้มาตั้งแต่เขาเล็กตวนวเขาเป็นวัยรุ่นก็ยังติดนิสัยเดิมแล้วยังไปเรียกร้องเข้าไม่ได้ ต, ต้องเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเรางั้จแกก็มาขอบคุณอัตมาตรงนี้เพื่อนคือแกมีสติไฮะเห็นเห็นใจของตัวมันมีนมความยึดมั่นคนเราไม่รู้นะว่าเรายึดมั่นถือมั่นเนียไอ้ที่ทุกเนี่ยนะพูดอย่างงหนึ่งคือไปเพราะยึดมั่นถือมั่น ไปยึดมั่นกับเสียงที่ดังนะไปยึดมั่นกับการกระทําของใครบางคนแล้วก็ไม่ปล่อยไม่วางเต่ว่าแต่เรื่องอดีตเรื่องอนาคตบางทีปัญหาเนี่ยไอ้ที่ทุกเนี่ยนะบอกว่าทุกเพราะปัญหาปัญหาจริงๆแต่ปัญหาไม่ได้ทําให้เราทุกนะแต่เราทุกเพราะเราไปยึดมั่นกับปัญหาทุกเพราะแบบปัญหาปัญหาไม่มีไว้มีไว้กลุ่มนะปัญหามีไว้แก้ แล้วทกุ้มพอแบกมันเป็ น, น ก, ก, ก, ก้อนหินนะก้อนหินเนี่ยนะอยู่เฉยๆเนี่ยคุณทุกข์ไหมก้อนหินมันจะหนักเพื่อเราไปแบกเวลาแบกก้อนหินแล้วหนักเราไปด่าก้อนหินว่าทําไมมึงหนักแบบนี้ทำไมมึงหนักแบบนี้ถูกไหมฮะทําไมเราไปถามตัวเราเองแบกทําไมใช่ไหม จะไปดกกาก้อนหินว่าทำไมมันหนักเพราธรรมชาติของหินมันก็หนักอยู่แล้วเราต้องถามตัวเราเราแบกมันไปทําไมแต่คนส่วนใหญ่ก็แบกใช่ไหมฮะแบกเพราะอะไรเพราะลืมตัวฮะลืมก็เลยแบกมันเอาไว้เยเมื่อคนที่ไฟไหม้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบ้านบ้านในกรุงเทพก็จะมีโอ่งใช่ไหมฮะโอ่งเก็บน้ําฝนไฟไหม้เสร็จนะไม่รู้จะแบกอะไรก็แบกโอ่งวิ่งหนี หนักก็หนักนะแต่ไม่รู้ตัวหรอกไอตอนนั้นเนี่ยมันไม่รู้ตัวหนักก็หนักนะแต่ว่าความกลัวทำให้แบกจกนกระทั่งพอหายกลัวแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันหนักนะเป็นเพราะเราลืมตัวเราแบกเราจริงแบกนั้นเนี่ยกลับมาเนี่ยกลับมากลับมาถ้าเรามีสตินะเราจะรู้ตัว เราจะรู้ทันว่าใจมันแบกมันยึดไหมใจมันเป็นลบไหมฉะงนั้นกลับมาถึงเรื่องการปฏิบัติที่ประจำวันเนี่ยก็คือว่าเวลาคุณทำอะไรเนี่ยนะทำกิจอะไรก็ตามเนี่ยให้รู้กันเดินนั่งเรียกว่าทำความสุดตัวก็ได้ผู้เจ้าตรัว่านะ ให้เราเนี่ยทําความรู้สึกตัวนี่อยู่ในในข้อรู้กายนะในสติปัฏฐานที่เรียกว่ า, า ย, ยุทปสัสนาจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าสัพชัญญะปัพะก็คือภาคที่ว่าด้วยสัมพชัญญะพรูเจ้าบอกว่าให้ทําความรู้สึกตัวเวลาก้าวไปข้างหน้าเวลาถอยไปข้างหลังเวลามองไปข้างหน้าเวลาเหลียวหลังรวมทั้งเหลียวซ้ายเหละยขวาเวลา เวลาทรงเวลาสะพายสังฆาติผมทีวอนสะพายบาทอันนี้ก็หมายถึงก็คือว่าเวลาแต่งตัวน ะ, ะใส่เสื้อใส่กางเกงก็ให้รู้ตัวนะเวลาคู่ขาเหยียดขานะคู่เหยียดแขนก็ได้นะก็ให้รู้ตัวเวลาดื่มดื่มกินเคี้ยวลิ้มให้รู้ตัวเวลาอุจจาระปัสสวะทำความสึตัว เวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลาหลับเวลาพูดเวลาคุณเวลานิ่งให้รู้สึกตัวตก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะคุณถึงจะรู้สึกตัวได้อันนี้ก็ความหมายเดียกับว่ารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจนะฮะเวลาเกิดภาษาเวลาตาเห็นรูปกดึนเสียงใจกระเพื่อมไม่ว่าจะ ยินดียินรายก็ให้รู้มันสังเกตใจเราบ้างคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะติดส่งออกนอกจนลืมจนไม่รู้แม้กระทั่งว่าตอนนี้กําลังรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวนี้เป็นกันกันเยอะนะฮะไม่รู้ว่าตัวเองตอนนี้กําลังรู้สึกอะไรเวลาธรรมะบอกว่าฝึกการเจริญสติคือการรู้กาย ร, รู้ใจเนี่ยก็ถามรู้ใจเป็นยังไงธรรมาก็ถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไงหลายคนตอบไม่ได้นะฮะ ไปตอเป็นความคิดเพราะเดี๋ยวนี้เราคิดเยอะและเรารู้สึกน้อยรู้สึกในที่นี้เนี่ยคือรับรู้ความรู้สึกของเราไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกแต่ว่ามันไม่รับรู้เป็นกันเยอะฮะไม่รู้หรือแม้บางทีบอกไม่ได้ว่าตอนนี้รู้สึกอะไรโกรธเสียใจทุกเศร้าท้อแท้ผิดหวังหงุดหงิดปนเคืองหลายคนตอบไม่ได้ฮะและบางคนหนักขนาดนี้ ถึงขั้นว่าไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกมีหมอคนหนึ่งแกเล่านะฮะแกเคยทาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสมองว่าอารมณ์แบบนี้เนี่ยมันว่าสมองว่าสมองส่วนไหนที่มันสัมพันธ์กับอารมณ์เช่นความโกรธความกลัววิธีการคือว่าให้อาสาสมัครเนี่ยมาดูภาพดูภาพยนตร์ที่มันน่ากลัว นะแล้วก็มีคล้ายๆเครื่องสแกนสมองอยู่ต ร, ต, ร ต, ร ต, รตรงตรงตรงหัวแล้วก็มีการวัดความเต้นความการเต้นหัวใจความดันด้วยก็มีผู้หญิงคนนึงเป็นนักนักวิจัยเก่งมากนะแกก็มาเป็นอาสาสมัครก็ให้ดูนะดูภาพที่น่ากลัวบอกว่าหัวใจเต้นเร็วมากเลยความดันขึ้นโดภาพหมอที่ทําการวิจัยบอกว่าต้องหยุดแล้วเพราะว่ามันขึ้นเร็วมาก่ะ คนะืนทำต่อไปเนี่ยกลัวคนไข้เนี่ยจะจะเทียบก็เลยบอกให้หยุดอาส า, าสมัครถามว่าหยุดทำไมฉันยังปกติอยู่เลยปกติอะไรร่างกายมันฟ้องว่ากลัวแต่ไม่รู้ฮะคือกลัวลยังไม่รู้ว่ากลัวนะแล้ว ก, ก็ก็มาพบในภายหลังว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเวลาแกทำงานนะไม่มีใครในที่ทำงานเอาแกเลย ทุกคนมีปัญหาแก้หมดทุกคนไม่ชอบแก้ทีแรกก็นึกว่าเป็นเพราะแกชอบพูดมากชอบคุยโมแต่ว่าจากเหตุการณ์ขึ้นทําไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะแกเนี่ยไม่รู้จักอารมณ์ของตัวคนที่ไม่รู้จักอารมณ์ของตัวนะจะไปรู้จักอารมณ์คนอื่นได้ยังไงนะเรียกว่าเป็นมืดบอดต่ออารมณ์คนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสามารถจะทําความคุ้นเคืองให้กับคนอื่นนะพวกนั้นคือไม่มี eq อ่ะ ไม่มี EQ เนี่ยมันก็ทําให้ไม่มีใครอยากจะคบด้วยเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยรับรู้ว่าตอนนี้คนเขารู้สึกอะไรแล้วสิ่งที่ตัวเองทำมันไปกอ่อผกระทบอะไรเขาบ้างเรียกว่า IQ สูงแต่ EQ ต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้เยอะแต่ว่าอันนี้เป็นพวกคนแบบนี้เนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยได้มา รับรู้ความรู้สึกของตัวเองไม่ค่อยกลับมามองด้านในใช้แต่ความคิดมากและถูกอารมณ์ครอบงามีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วยังไม่รู้ตัวอีกอารมณ์เนี่ยนะมันจะแสดงออกมาทางร่างกายร่างกายมันจะเป็นตัวฟ้องร่างกายมันจะเป็นตัวบอกและซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเรา เปรียบกับเราเวลาหลายคนมีอารมณ์นะฮะแล้วก็มีความกลุ้มใจว่าจะทำไงกับอารมณ์นี้เช่นความโกรธความกลั ว, ว, ลวถ้าคุณยังไม่รู้ทันอารมณ์นะให้กลับมารู้ให้กลับมาดูกายตอนที่คุณโกรธเนี่ยคุณสังเกตกายคุณไม่เป็นอย่างไรกลับมาดูกายเป็นยังไงหัวใจเต้นเร็วหายใจทีสั้นเ ม, ม้มริมฝีปากตับมมือแน่นคุณลองกลับมาดูตรงนี้ แล้วถ้าคุณกลับมาดูกายเนี่ยมันจะช่วยทำให้ใจเนี่ยเป็นปกติได้เร็วการรู้กายเนี่ยถ้าคุณรู้เป็นนะมันทำให้คุณรู้ใจมันชั่ให้ใจเนี่ยคุณเบาลงเวลาคุณโกรธเนี่ยอัตมาแนะนำนะถ้าว่าคุณยังไม่ยังไม่มีความสามารถในการรู้ใจได้รู้ทันความโกรธแบบที่หลวงปู่ ด, ดุลว่าให้รู้ทันมันคุณก็มาดูกายว่ากายคุณตอนนี้เป็นยังไงหนะน้านี้คือสมวดไหม ลมหายใจเป็นยังไงหัวใจเป็นอย่างไรกล้ามื้อเป็นอย่างไรความกลัวก็เหมือนกันความวิตกกังวลก็เหมือนกันนะฮะเมื่อคุณมาทำกับกายเนี่ยช่วยได้เยอเช่นคุณหายใจเข้าเรื่องหายใจยาวๆผ่อนคลายกายที่ผ่อนคลา ย, ายทํำให้ใจผ่อนคลา ย, า ย, า ค, ลายความปวดจะทุเลาลงมีเรื่องเล่านะะอาจารย์พรห ม, รมวังสวเคยเล่า มีผู้คนหนึ่งจกเป็นแกมีความวิตกกังวลสูงมากแกวิตกกังวลจนกระทั่งแกป่วยนะฮะดีย๋ยวนี้มันมีความป่วยหลายอย่างที่หาสาเหตุทางทางกายไม่ได้ในในแนงอังกฤษเนี่ยมันมีก็พวกคนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยนะหาสาเหตุทางกายไม่ได้แต่ป่วยนะฮะหนึ่งในสามนี่เยอะนะฮะผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันแต่แกเป็นคนออสเตรเลียอาจารย์พรหมเนี่ยไปอยู่ออสเตรเลีย พี่เองคนที่แกก็คงวัยรุ่นแล้วนะแกะวิตกกังวันสูงมากจนแค่ทั้งแกป่วยจนต้องนอนนอนเตียงทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ายังดีที่มีแฟนเนี่ยแฟนผมก็ดีนะแฟนผมช่วยทําทุกอย่างช่วยทําอาหารทําครัวทํางานบ้านช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวมีคนแนะนําให้ทองลองโทรมาหาจําโพร แต่ก็เล่าจกมีความวิตกกังวลแต่ไม่ได้เล่านะก็มไม่ทราบวิตกกังวลเรื่องอะไรนะอาจารย์โรลก็ถามประโยคหนึ่งว่าตอนที่คุณตอนที่เกิดความวิตกกังวลเนี่ยคุณรู้สึกตรงไหนของร่างกายปินังนี่ฟังแล้วงงพวกเราฟังแล้วงงนะตอนที่คุณวิตกตอนที่มีความวิตกกังวลเนี่ยคุณรู้สึกตรงไหนของร่างกายแกตอบไม่ได้ฮนะอาจารย์โผล่เขาบอกว่า คุณกลับไปดูนะแล้วทุกคุณตอบได้ค่อโทรมาหาต่อมาสองวันต่อมาแกแกตอบมันมีอาการที่ลิ้นปี๋มีอาการที่ลิ้นปี๋คืออาจารย์พงอธิบายก่อนว่าไอความไออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลแล้วมันจะสัมพันธ์กับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนะฮะอารมณ์ทุกชนิดเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับร่างกายไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งนะอันนี้เนี่ยมันมัน วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเขายอมรับแล้วว่าเวลาคนมีอารมณ์ต่างๆกันในที่นกลัวเกลียดวิตกเนี่ยเวลาคุณสกแกนทั้งร่างกายเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างของร่างกายตามลักษณะอารมณ์ที่จริงๆ น, นี่เขารู้มานานเลยนะครับผู้หญิงนี่ก็ตอบว่ามันรู้สึกที่ลิ้ปี่เวลามีความวิตกกังวลอาจารย์ก็อาจารย์พรงก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรตอบไม่ได้ อาจารยบอกงั้นกลับไปพิจารณาแล้วมาบอกตอัตมาสามวันต่อมาแกก็มาบอกแล้วแกก็มาเล่าอาการละเอียดเลยไอ้ลิ้นปีนี่เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ผมก็เลยแนะนําว่าเวลาเกิดอาการที่เลิ้นปีนะคุณก็ค่อยนวดนะค่อยนวดอย่างอ่อนโยนทําไปเรื่อยๆมีเมตตาเขานะถ้าคุณทําไม่ไหวให้แฟนช่วยทําให้ สามันต่อมาโทรมาบอกตอนนี้อาการที่ริ้นปี๋หายแล้วอาจารย์ผมถามไปว่าแล้วความวิตกกังวลล่ะแกียเงียบไปเลยนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าหายแล้วไอตอนหายไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยนะคือเห็นะ่ะคือเรื่องเนี้มันมันมันมันให้มันบอกหลายหลยอย่างนะก็ ค, คือว่าคนเราเนี่ยพอมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายมันจะฟ้องมันจะมีอาการที่ร่างกาย สิ่งที่อาจารย์พรมทมคือว่าให้มาดูกายนะให้มาดูกายแล้วก็จัดการให้ดูกายถ้ามันปวดก็คลึงมันซะพอไปเยียวยากายนะมันก็ไปช่วยเยียวยาใจและที่จริงเนี่ยนี่เป็นอุบายที่ทําให้ทําให้พี่คนนี้กลับมามีสติรู้และกายรู้กายแล้วก็รู้ใจเพราะฝรั่งเดียวเนี้ยที่จริงคนสมัยใหม่เนี่ยรู้กายรู้ใจก็ไม่รู้เดี๋ยวสองสองอย่างใช่ไหมรู้แต่ว่ามันโกรธมันเศร้ามันกังวล แต่กลายเป็นยังไงไม่รู้แล้วก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีวิธีรู้ทันใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สติเนี่ยนะไอกรร้การรู้กายรู้ใจมีประโยชน์มากนะแล้วทุ น, น ใ, ชใช้เป็นเนี่ยแล้วทุนใช้ถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่มีความสุขแบบโลกโลกนะคุณจะใช้ในการภาวนาในการทำวิปัสสนาในการช่วยทำให้ความหลงผิดหมดไปจากใจมันก็จะเห็นได้เพราะพอคุณรู้กาย ร, ร, รู้ใจเนี่ยคุณจะเห็น คุณจะเห็นธรรมชาติของกายและใจาตามที่มันเป็นถ้าคุณหมั่นเห็นบ่อยๆเนี่ยนะคุณจะเห็นเลยนะมันจะบอกมันจะบอกอะไรมากไปกว่าที่เราเคยรู้มันจะทำให้เราเห็นเรื่องไตรลักษณ์เพราะว่ากายและใจเนี่ยมันก็มีไม่น้นไตรลักษณ์ธรรมชาติของมันเห็นบ่อยๆนะไม่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเนี่ยจะเป็นบวกหรือลบเช่นสบายเรียกว่าสุขเวทนา หรือเจ็บปวดเรียกว่าทุกขเวทนาไม่ว่าความยินดียินร้ายไม่ว่าความดีใจหรือว่าความเสียใจไม่ว่าปิติหรือความเศร้าทั้งหมดนี้เนี่ยมันรู้แล้วแต่สอนให้เราเห็นเรื่องใจรักและถ้าเราเห็นไตรักเมื่อไหร่เนี่ยความสว่างจะเกิดความหลงผิดจะหายไปและนั่นแหละเป็นที่มาของของของความพ้นทุกข์ถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลย ว, ว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ มันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันจะยึดเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้มันจะวางเองมันก็แปลงนะคนเราเนี่ยไอ้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยนะมันก็มีเหตุผลนะยึดทรัพย์สินเงินทองรถยนต์บ้านนะ กระเป๋าช n n นลอะไรเงี้ยนะไอ้ยึดเนี่ยมันก็ยังดูมีเหตุผลนะเพราะมันให้ความสุขนะแต่ว่าคนเราไม่ได้ยึดแค่นี้เรายึดในสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราด้วยความโกรธความเกลียดความรู้สึกผิดยึดแล้วมันไม่ค่อยอยากวางนะเวลาคุณเศร้านะความเศร้ามันจะคร่อม ง, งมจิตใจคุณ แ้วคุณอยากจะจมไปในความเศร้ามากขึ้นเวลาคุณเศร้าคุณอยากฟังเพลงอะไรฟังเพลงร็อกเพลงป๊อปถึงความสุขให้ประชาชนหรือเปล่าคุณอยากฟังเพลงเศร้าใช่ไหมมันสั่งให้คุณฟังเพลงเศร้าเพราคุณอยาได้จมในความเศร้าเวลาคุณโกรธเนี่ยคุณอยากจะให้อภัยไหเวลาคุณโกรธเนี่ยใครมาแนะนําให้คุณให้อภัยเนี่ยคุณจะไม่ชอบคนเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเขียนมาเล่า แม่นี่เป็นคนดีมากมีเมตตาใจเย็นแต่เวลาพูดถึงคนคนหนึ่งด้วยนะเ จ, จะโกรธมากเพราะมันในรกคุณได้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมายี่สิบสาสิบปีมาแล้วแกก็ยังพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็พอพูดนั่นจะมีความโกรธมาก มันเป็นกันหลายคนนะฮะบางทีไอ้คนนั้นก็ไม่ใช่ใครหรอกนะก็คือผัวนั่นแหละลูกเนี่ยก็ห่วงแม่ว่าแม่ถ้าแม่กลัวแบบนี้เนี่ยตายไปจะอบายตายไปในอารมณ์นั้นอบายสถานเดียวนะฮะลูกเนี่ยก็รักแม่ไม่อยากให้แม่เนี่ยเป็นอย่างนั้นที่จริงถึงแม่ไม่ตายตอนที่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทุกข์มากความดันขึ้น ตอนไม่หลับแม่ก็บอกให้ลูกลูกก็บอกให้แม่ให้อภยัยแม่โกรธลูกฮะมันคล้ายๆกับว่าลูกกําลังช่วงชิงของรักของแหกของของห่วงจากแม่มันคล้ายๆแบบนั้นเลยนะเหมือนก่าลูกกาลังขโมยของรักของห่วงจากแม่สิ่งที่ลูกทำเป็นแค่ขอให้แม่ปล่อยวางเรื่องการให้การความโกรธให้อภยัยเขาไปซะเห็นไหมไอ้ความโกรธเปนดีที่ไหนแต่ทำไมยึด ใครมาบอกให้เราให้อภัยเนี่ยเราจะโกรธเขาเหมือนกับว่าเขากำลังแย่งของดีไปจากเราแย่งทรัพย์สมบัติไปจากเราแย่งที่ดินไปจากเรามันหน่าจักมันน่ายึดที่ไหนไอ้พวกเนี้ยอารมณ์พวกเนี้ยแต่ทำไมเรายึดฮะเพราะเราหลงครับเพราะเราไม่มีสติฮะากให้มีสติเมื่ อ, อไหร่เนี่ยมันวางเองจะวางด้วยเพราะความเพราะไม่หลงผิดหรือเพราะไม่หลงลืมก็แล้วแต่เคยมีคนถามกูดูลว่าหลงปู่ คือเขาลือกันว่าท่านเป็นอรหันต์ถามว่าปู่มีโกรธไหมท่านตอบมีแต่ไม่เอามันสั้นมากเลยนะมีแต่ไม่เอามันหน้าเอาที่ไหนความโกรธแต่ส่วนใหญ่เอาทั้งนั้นใช่ไหมฮะกลรธแล้วก็พยายามหวงแขงความโกรธไม่อยากใครมามาม า, มาแนะนําให้อภัยเศร้าก็หวงแขงความเศร้าพยายามให้ปวดว่าทำไมเราคนโปรดทําไมเราควรเศร้า เพื่อนมาชวนไปไหนไม่ยอมไปเวลาเศร้านะมีคนหนึ่งเศร้านะผิดหวังในความรักของเพื่อนรักรักไปไปชอบผู้ชายแต่ผู้ชายเพื่อนชายไม่ได้รักเธออย่างที่เธอปรารถนาเธอก็นั่งซึมเศร้ามีเพื่อนมาเพิ่มมีเพื่อนมาเรียกเพื่อนมากุมใหญ่เลยมาหน้าหน้าบ้านบ้านเธอปิดประตูเธอเขากดกรีงแล้วก็ตะโกนชวนไปเที่ยวจะชุนเลยนะฮะ นึกในใจเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ต้องมี ค, มความขัดขวางเวลาทุกข์มีความขัดขวางไม่ชอบนะคุขอทุกขนะ์อ่ะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าหลงฮะไม่มีสติถ้าคุณมีสติคุณวางเองเลยมันวางเองนะอาตมาใช้หลัพอสมควรนะคีดว่าคงจุดติดมัน ด, ดีกว่า ท่านใดมีคำถามจะเรียนปรึกษาพระอาจารย์เพิ่มน